ประเภทของความรู้จำแนกโดยพัฒนาการทางปัญญาภายในบุคคลเมื่อพิจารณาในแง่พัฒนาการความรู้ที่อยู่ในขอบเขตซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องก็คือความรู้ประเภทที่เป็นภาเวตพัทธธรรมสิ่งที่ควรเจริญหรือฝึกปรือส่วนความรู้ประเภทปริญญายธรรม สิ่งที่ควรกำหนดรู้หรือรู้จักก็เป็นอันไม่ต้องกล่าวถึงดังนั้นความรู้ที่เรียกว่าวิญญาณจึงไม่จัดเข้าในหัวข้อนี้ความรู้ที่อยู่ในขอบเขตของการฝึกอบรมจำแนกได้เป็นสามประเภทเรียงตามลำดับแห่งพัฒนาการหรือความเจริญแก่กล้าที่ออกผลมาเป็นอย่างอย่างดังนี้ 1. สัญญาความกาหนดได้หมายรู้ได้แก่ความรู้ที่เกิดจากการกำหนดหมายหรือจำได้หมายรู้ซึ่งบันทึกไว้เป็นแบบสำหรับเทียบเคียงและเป็นวัตถุดิบของการรู้และการคิดต่อๆไปแบ่งได้เป็นสองพวกลดังได้อธิบายแล้วในความรู้ชุดแรก เมื่อว่าโดยคุณภาพในกระบวนการพัฒนาความรู้จะเห็นได้ว่าสัญญาที่เกิดขึ้นตามปกติในกระบวนการรับรู้คือสัญญาชั้นต้นทั้งหลายก็ดีสัญญาที่หมายรู้ตามความรู้ความเข้าใจที่เจริญเพิ่มพูนขึ้นในการฝึกอบรมปัญญาก็ดีแม้ว่าอาจแตกต่างกันได้เป็นความรู้หลายระดับตั้งแต่รู้คลุมเครือถึงรู้ชัดเจน ตั้งแต่รู้บางแง่ถึงรู้สมบูรณ์ตั้งแต่รู้ผิดพลาดถึงรู้ถูกต้องก็เป็นเพียงเรื่องของการรู้และไม่รู้เท่านั้นจึงนับว่าเป็นเรื่องของความรู้และการพัฒนาความรู้โดยตรงส่วนสัญญาฝ้ามเฟอ้อที่เรียกว่าปัปปัญจสัญญาหรือกิเลสสัญญามีลักษณะตรงข้ามคือเป็นเครื่องกีดกั้นปิดบงัง และบิดเบือนความรู้ความรู้ที่อยู่ในขอบเขตของการฝึกอบรมข้อที่สองทิฏฐิความเห็นความเข้าใจโดยในย่าเหตุผลความจริงในความคิดหรือความรู้ที่ผสมปรุงแต่งจับถือเอาด้วยความคิด ได้แก่ความรู้ที่ลงข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในทางใดทางหนึ่งและประกอบด้วยความยึดถือโดยอาการผูกพันกับตัวตนอาจเป็นความรู้ที่มาจากแหล่งภายนอกแต่ได้คิดกลั่นกรองยอมรับเอาหรือสรุปเข้าเป็นของตนแล้วไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่มีเหตุผลมากหรือน้อยหรือแม้ไม่มีเหตุผลเลยก็ตามตัวอย่างทิฏฐิ เช่นสัตตตาทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงเข้าใจว่ามีอัตตาที่คงอยู่ยั่งยืนตลอดไปอุเฉทัาทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์อเหตุกาทิฏฐิความเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปโดยไม่มีเหตุปัจจัยเป็นต้น ความรู้ที่อยู่ในขอบเขตของการฝึกอบรมข้อที่สาญาณความรู้ความอย่างรู้เป็นไวโพ์คําหนึ่งของปัญญาแต่มักใช้ในความหมายที่จําพาะ ก, กว่าคือเป็นปัญญาที่ทํางานออกผลมาเป็นเรื่องเรื่องเช่นกรรมสกตายานความอย่างรู้ภาวะที่สัตว์มีการเป็นของของตนอติตังสยาน ปริชายอย่างรู้ส่วนอดีตสัจจานุโลมิกยายนความยังรู้สอดคล้องกับสัจจะฐานาฐ า, า, านัญาณปริชายอย่างรู้การที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นานาทิมุติกานปริชายอย่างรู้อัธยาศัยแนวโน้มความเชื่อความสนใจของสัตว์ทั้งหลายที่ต่างกันเป็นต้น กล่าวได้ว่าญาณคือความรู้บริสุทธิ์ที่ผุดโพล่งสว่างแจ้งขึ้นมองเห็นตามสภาวะของสิ่งนั้นๆหรือเรื่องนั้นๆแม้ว่าญาณจะมีหลายระดับบางทีเป็นความรู้ผิดบางทีเป็นความรู้บางส่วนไม่สมบูรณ์แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นความรู้บริสุทธิ์หรือความรู้ล้ว น, วนเพราะยังไม่มีความรู้สึกของตัวตน หรือความยึดถือเป็นของตนเข้าไปจับบางครั้งยานเกิดขึ้นโดยอาศัยความคิดเหตุผลแต่ยานนั้นเป็นอิสระจากความคิดเหตุผลคือไม่ต้องขึ้นต่อความคิดเหตุผลแต่ออกไปสัมพันธ์กับตัวสภาวะที่เป็นอยู่จริงข้อนี้นับว่าเป็นลักษณะที่แตกต่างกันอย่างหนึ่งระหว่างทิฏฐิกับยาน ลาวคือความรู้แบบทิฏฐิเข้ามายิงความยึดถือและความคิดเหตุผลข้างในส่วนความรู้ที่เรียกว่ายานออกไปสัมผัสกับตัวสภาวะที่เป็นอยู่ข้างนอกโดยตรงในคำพีขั้นดีกาแสดงความแตกต่างระหว่างทิฏฐิกับยานว่าทิฏฐิ มีลักษณะยึยดถือว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะญาณรู้อารมณ์ตามสภาวะทิฏฐิละสภาวะตามที่เป็นเสียถือเอาโดยไม่ใช่ตามที่เป็นในขั้นพื้นฐานสัญญาเป็นวัตถุดิบของความรู้และความคิดต่างๆดังนั้น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 มีบาลีอีกแห่งว่าสัจจะที่แน่แท้ในโลกมิใช่จะมีต่างๆมากหลายนอกจากสัญญาในวงเล็บทำให้เห็นต่างๆกันไปยานก็ต้องอาศัยสัญญาจึงเกิดขึ้นได้ดังบาลีว่าสัญญาย่อมเกิดก่อน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 หรือสัญญาในลนะักษณะหรือสัญญาในเหตุหรือสัญญาในฐานะจากนี่คือจากความสงบภายในหรือจากการปฏิบัติหรือจากธรรมเทศนาท่านจะได้ญาณจากที่ไหนบูรุษหนึ่งมองเห็นใบไม้แก่ร่วงหล่นบังเกิดวิปัสสนาญาณสว่างขึ้น มองเห็นความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งหลายยานนั้นอาศัยสัญญามากหลายเป็นเขาเช่นสัญญาเกี่ยวกับชีวิตและความทรงตัวอยู่ของสิ่งทั้งหลายเกี่ยวกับความแก่ความสุดโสมเกี่ยวกับความร่วงหล่นความตายความสิ้นสุดเกี่ยวกับเบื้องบ น, บนเบื้องล่างเป็นต้นปัญญาที่มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาเหล่านั้นยังทั่วถึง ทำให้เกิดยานดังกล่าวแล้วนั้นหรือตัวอย่างเกี่ยวกับโลกิยาญาณอย่างอื่นเช่นนายนิวตันมองเห็นผลแอปเปิลตกลงมาเกิดความรู้สว่างแจ้งเห็นกฎแห่งความดึงดูดความรู้โพล่งทั่วนั้นก็อาศัยสัญญามากหลายเป็นเขาเช่นสัญญาเกี่ยวกับการร่วงหลนและการเข้าหาการระวังสิ่งต่างๆ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 ตัวอย่างที่ชัดในคำภีเช่นพวกพระกพรมมียานระลึกชาติได้ตลอดการยาวนานอย่างดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดมองเห็นสัตว์ทั้งหลายเกิดดับนับไม่ถ้วนแต่ตนเองคงอยู่อย่างเดิมตลอดจึงเกิดทิฏฐิคือยึดถือความเห็นขึ้นว่าสถานะแห่งพรมนั้นยังยืนคงที่มีอยู่ตลอดกาลนิรันดรโรมเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลทุกสิ่งทุกอย่าง หรื อ, อยังผู้เกิดความอย่างรู้ดังท่านนิวตันนั้นรั้นความอย่างรู้สว่างแจ้งเกิดขึ้นแล้วต่อมาใช้ความอย่างรู้หรือญาณ น, นั้นมองดูสภาวะทั้งหลายก็เห็นเป็นไปอย่างนั้นแต่ไม่เห็นปลุกปลงตลอดไปทุกกรณีโดยสิ้นเชิงมีติดหรือเคลือบคลุมบ้างในบางจุดบางด้านความรู้นั้นก็อาจต้องถูกยึดถือไว้โดยอาการที่เรียกได้ว่าเป็นทิฏฐิ ทิฏฐิระดับสูงมาเกิดจากการได้ยานบางอย่างขึ้นก่อนส่วนทิฏฐิก็เป็นเครื่องหนุนช่วยให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันดังจะเห็นได้ว่าทิฏฐิไม่น้อยเป็นผลของความคิดและเป็นข้อยึดถือของปราชผู้มีปัญญามากและเป็นทิฏฐิที่มีเหตุผลมากดังนั้น ถ้าไม่มีความยึดติดในทิฏฐินั้นเดนียวแน่นจนเกินไปแล้วรู้จักสดับรู้จักมองรู้จักใช้ปัญญาพินิจ์พิจารณาก็าย่อมมีโอกาสมากที่จะเกิดยานซึ่งช่วยให้ก้าวหน้าต่อไปและสามารถทำลายจุดที่ยังติดตันผ่านต่อไปได้เมื่อทิฏฐิก็ดียานก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการกาหนดหมาย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 และแก้สัญญาที่ผิดพลาดในข้อนี้พึ่งเทียบบาลีว่าชนเหล่าใดคิดคาดคะเนอิงอาศัยทิฏฐิคู่นี้คือภาวะทิฏฐิและวิภาวะทิฏฐิชนเหล่านั้นย่อมไม่มีญาณในนิโรธและจึงเป็นเหตุให้ชาวโลกมีสัญญาวิปริต ความรู้ที่ออกรูปมา3แบบในกระบวนการพัฒนาปัญญาภายในบุคคลนี้พึงพิจารณาโดยสัมพันธ์กับวิธีทำให้เกิดปัญญา3วิธีที่ท่านแสดงไว้ในเรื่องปัญญา3ามประเภทด้วยคือ 1. จินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดการพิจารณาหาเหตุผลด้วยตนเอง 2. ส, สุตตามายะปัญญา ปัญญาเกิดจากการสะดับเล่าเรียนหรือถ่ายทอดต่อกันมา 3. ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติฝึกหัดอบรมข้อนี้ในพระสูตรท่านแสดงแต่หัวข้อไม่อธิบายส่วนในพระอภิธรรมท่านอธิบายปัญญาสองข้อแรกมุ่งเอากรมสกตตายาน และสัจจานุโลมิกายานคือวิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นโดยปรารบอาชีพการงานศิลปะวิชาการที่ตนประกอบส่วนปัญญาข้อที่สท่านว่าได้แก่สมาปนสสะปัญญาปัญญาของผู้ประกอบหรือเข้าถึงซึ่งอธถกถาว่าหมายถึงปัญญาของผู้ประกอบด้วยสมาบัติคือปัญญาที่เกิดจากสมาธิ แต่ถ้าเอาความหมายยังทั่วไปน่าจะแปลได้ว่าปัญญาของผู้ลงมือทาลงมือปฏิบัติหรือทากิจนั้นจริงๆนอกจากตัววิธีที่เป็นหลักใหญ่แล้วยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่พึงใช้ประกอบในกระบวนการก่อให้เกิดปัญญาโดยเฉพาะในวิธีที่สกิจกรรมที่สำคัญสำคัญ คือการฟังซักถามสอบคน้นหรือสวนะและปริปุตรฉาการสนทนาถกเถียงอภิปรายหรือสาคัดฉาการสังเกตดูเฝ้าดูดูอย่างพินิษคือปัศณะและนิชานการพิจารณาโดยแยกคายคือโยนิโสมณสิการหรือโยนิโสอุปริขา การช่างเหตุผลคือตุลนาการไตร่ตรองตรวจสอบทดสอบสอบสวนทดลองและเฟ้นคือวิมังสาและวิจัยการเสพคุณฝึกหัดทำบ่อยทำให้มากคืออเสวนะภาวนาและพหุลีกรกิจกรรมประกอบนี้กระจายอยู่ในที่ต่างๆ เช่นหลายข้อกล่าวไว้เกี่ยวกับเครื่องช่วยให้เข้าถึงสัจจะ ก, การคิดการเล่าเรียนสดับฟังและการปฏิบัติฝึกปรือย่อมเป็นเครื่องช่วยให้สัญญาทิฏฐิและาณ น, นั้นเกิดมีใหม่ขึ้นบ้างก้าวหน้าเพิ่มพูนขึ้นบ้างได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องขึ้นบ้างว่าที่จริงสุตตะ คือความรู้ที่ได้เล่าเรียนสดับมาก็ดีการคิดอะไรได้ต่างๆก็ดีและปัญญาที่รู้เข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีย่อมเป็นความรู้แบบต่างๆที่มีอยู่ในตัวบุคคลด้วยเหมือนกันแต่ความรู้ที่จะออกผลเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปสําเร็จขึ้นในตัวบุคคลก็คือความรู้สามอย่างข้างต้นคือสัญญาทิฏฐิและญาณ น, นั้น อาจพูดได้ว่าสัญญาทิฏฐิละานก็คือผลข้างปลายของสุตตะจินตาและภาวนานั่นเองเมื่อความรู้ออกรูปเป็นสัญญาทิฏฐิละญานแล้วย่อมมีผลต่อชีวิตของบุคคลมากสัญญามีอิทธิพลยิ่งต่อการรับรู้การมองเห็นการเข้าใจโลกรอบตัวและการที่จะสร้างความรู้อย่างอื่นต่อๆไป พิธีตั้งแต่ความยึดถือลัทธิศาสนาและอุดมการต่างๆตลอดลงมาจนถึงค่านิยมต่างๆเป็นตัวชี้นำแนวทางแห่งพฤติกรรมและวิถีชีวิตของบุคคลได้ทั้งหมดส่วนความรู้ประเภทยานเป็นความรู้กระจ่างชัดและลึกซึ้งที่สุดเป็นผลสำเร็จทางปัญญาสูงสุดที่มนุษย์จะทำได้ สามารถชำระล้างลงไปถึงจิตสันดานของบุคคลสร้างหรือเปลี่ยนแปลงท่าทีแห่งการมองโลกและชีวิตที่เรียกว่าโลกัศต์และชีวัศต์ได้ใหม่มีผลต่อพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของบุคคลอย่างเด็ดขาดและแน่นอนยั่งยืนยิ่งกว่าทิฏฐิความรู้ชุดนี้สัมพันธ์กับความรู้ที่จาแนกอีกแบบหนึ่งในชุดต่อไปด้วย